เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่นใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24เมนาคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ทั้งากมาวัน เพื่อมาสร้างบุญที่เป็นเหมือนอาหารของใจร่างกายเราก็ต้องมีอาหารร่างกายถึงจะอยู่ได้อย่างสมอย่างสบายฉันใดใจของเราก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกันอาหารของใจก็คือบุญนี่เองอาหารของร่างกาย มีหลากหลายมีอาหารที่เป็นอาหารหลักและมีอาหารที่เป็นอาหารเสริมชันใดบุญที่เราทำกันก็มีบุญที่เป็นบุญหลักที่เราต้องทำกันอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาและบุญที่เป็นบุญเสริมที่เราทำตามวาระ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆอาหารหลักของเราก็คือข้าวกับข้าวแล้วก็น้ำผักผลไม้นี่เรียกว่าอาหารหลักของร่าง ก, กายอาหารเสริมก็คือพวกขนมนมเยยพวกเครื่องดื่มรสต่างๆ ซึ่ที่มีก็รับประทานก็ได้ไม่มีไม่รับประทานก็ได้ไม่ถึงกับทำให้ร่างกายตายไปแต่ร่างกายต้องมีข้าวมีกับมีน้ามีผลไม้มีผักถึงจะทำให้ร่างกายอยู่ได้อย่างไม่เจ็บไข้ได้ป่วยฉันใดบนคืออาหารของใจ กมีบุญหลักและบุญเสริมบุญหลักที่เราต้องมีกันถ้าไม่มีแล้วเราจะอยู่ไม่ได้อย่างมีความน่่มเย็นเป็นสุนะบุญหลักของใจคืออะไรก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิและการฟังเทศฟังธรรม การให้ทานการรักษาศีลและการภาวนานี่คืออาหารหลักของใจบุญหลักของใจที่เราจำเป็นจะต้องมีอยู่ในใจของเราถ้าไม่อยากให้ใจของเราต้องทุกข์ต้องวุ่นวายอย่างไม่มีวันหมดวันสิ้น เราต้องมีบุญทั้งห้าประการนี้คือต้องมีสมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องการที่เราจะมีความเห็นที่ถูกต้องได้เราก็ต้องฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นอาหารของใจเพราะเมื่อเราได้ฟังแล้วเราจะได้รับความรู้ความเห็นที่ถูกต้อง ข้อความคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้านี้ออกมาจากความรู้ความเห็นจริงของพพระพุทธเจ้าเช่นทรงรู้เรื่องบาปเรื่องบุเงบญเรื่องนกรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟ ร่างกายอยู่ได้ชั่วคราวแล้วหลังจากนั้นร่างกายก็ต้องเสื่อมหมดไปนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องที่เราควรจะมีอยู่ในใจของเราอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องแนละ้วเราจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ในสิ่งที่จะเกิดคุณเกิดประโยชน์กับตัวเราพอเราฟังเทศฟังธรรมเราก็จะรู้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงร่งางกายไม่เที่ยงร่งางกายไม่ใช่ตัวเราของเราพอเรารู้อย่างนี้เราจะได้ปฏิบัติทำบุญ ที่ถูกต้องได้ต่อไปเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำทานเพราะว่าการทำทานนี้เป็นการให้ความสุขกับใจให้อาหารกับใจแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวซึ่งให้ความสุขเพียงเล็กน้อยแล้วก็ให้ความทุกข์ตามมาให้เราเอามันนี้มา ให้ทานแทนการให้ทานจะทําให้เรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอต่างกับการเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะว่าไม่ได้ทําให้ใจอิ่มใจพอกับทําให้ใจหิวใจอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปดังนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องทําทานอย่างสม่ำเสมอ เหมือนกับการรับประทานอาหารที่เราต้องรับประทานทุกวันเราก็ควรจะทำทานทุกวันเช่นวันนี้เราก็มาวัดเพื่อนำข้าวของเงินทองต่างๆมาถวายให้กับพระถวายให้กับวัดอย่างนี้เราเรียกว่าวัตถุทานคือให้ข้าวของวัตถุต่างๆเมื่อเราให้แล้ว ใจของเราก็จะมีความอิ่มเอิมมีความสุขจะไม่หิวไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะไม่อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เพราะเราได้ความสุขจากการให้ทานเราควรจะทำทุกวันเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าเราไม่สามารถทำทานกับวัดกับพระได้ เราก็ทำทานกับคาววาญาติโยมพี่น้องกนาัมีใครเดือดร้อนก็ให้ช่วยเหลือกันไปเช่นขอทานให้เขาไปบ้างให้เขาได้มีเงินเสื้ออาหารให้เขาได้มีความสุขบ้างหรือจะถ้าอยากจะใส่บาตถ้ามีพระมาผ่านมาทาบ้าน ก็ใส่บากไปทุกวันถ้าไม่มีพระอยากจะทำบุญอยากจะใส่บา ก, ก็ให้เอาเงินที่จะซื้อข้าวของใส่บาใส่กระปุกใส่กระป๋องเอาไว้พอบีเวลาโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดก็นำเอาเงินที่เราใส่กระปุกที่ไว้สำหรับทำบุญนี้เอามาทาบุญที่วัดได้ถ้าเราไม่ทำทุกวันแล้ว ก็เหมือนกับการที่เราไม่ได้รับประทานอาหารทุกวันใจของเราก็จะหิวจะอยากจะร่มร้อนจะมีอารมณ์หงุดหงิดลำคาญเหมือนกับเวลาที่เราไม่ได้รับประทานอาหารให้แก่ร่างกายเวลาร่างกายไม่ได้รับประทานอาหารเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจแต่พอเราได้รับประทานอาหารแล้ว พอร่างกายอิ่ม้ะใจเราก็สบายดังนั้นเราจึงควรทำทานทุกวันเพราะเป็นการให้อาหารใจตลอดเวลานั่นเองเมื่อเรารักษาเมื่อเราทำทานได้แล้วเราก็จะทำบุญข้อที่สองต่อไปได้ก็คือการไม่ทำบาปเพราะว่าผู้ที่ทำบุญแล้ว จะมีใจเมตตาจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ชอบทำให้ผู้อื่นต้องทุกข์ยากลาบากเดือดร้อนเวลาทำอะไรก็จะระมัดระวังจะพิจารณาก่อนเสมอว่าทำไปแล้วทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่ถ้าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็จะไม่ทำ นี่คือใจของผู้ที่ทำทานต่อเนื่องตลอดเวลาใจจะมีความเมตตาจะมีความปรารถนาดีจะไม่คิดร้ายไม่คิดทำร้ายผู้อื่นนี่คือบุญข้อที่สองที่เราต้องทำทุกวันก็คือไม่ทำบาปเราต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดนละเว้นจากการเสพสุรายามาเพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองถ้าเราไม่ทำผู้อื่นก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเราทำบา ผู้อื่นเดือดร้อนเราก็จะเดือดร้อนไปด้วยเพราะใจเราจะไม่สบายเราจะวิตกหวาดกลัวกลัวว่าจะต้องใช้กรรมใช้รับผลบุญรับผลของบาปที่เราทำไปแต่ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์การไม่มีความทุกข์ใจก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของใจ นี่ก็คือบุญที่เราควรจะทำกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันอย่างน้อยที่สุดควรจะรักษาศีลห้าไว้ทุกวันรักษาให้ได้ถ้าในเบื้องต้นยังไม่สามารถรักษาได้ทั้งห้าข้อก็ให้รักษาเท่าที่เราสามารถรักษาได้ไปก่อนเช่นรักษาได้ข้อหนึ่งก็รักษาข้อหมึ่งไปก่อน แล้วค่อยรักษาข้อสองข้อสาข้อสข้อห้าไปค่อยๆเพิ่มไปตามกำลังของเราข้อไหนที่ง่ายสำหรับเราเราก็รักษาไปก่อนเช่นสุรายาเมาถ้าเราไม่ดื่มสุราเราก็อยากไปดื่มโดยเด็ดขาดพอเราไม่ดื่มสุราแล้วเราก็มารักษาข้ออื่นต่อไปเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แล้วก็มารักษาการรักทรัพย์การประพฤติถิ่ประเวณีการพูดปดเวลาเรารักษาได้ศีลได้ข้อใดข้อหนึ่งแล้วเราจะมีความสุขใจและเราจะเห็นคุณค่าของการรักษาศีลก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่อยากจะรักษาศีลเพิ่มขึ้นไปอีกต่อไปเราก็จะรักษาศีลห้าได้ทุกวัน พอเรารักษาสีนห้าได้ทุกวันแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มรักษาสีน8แปดกันเริ่มต้นด้วยการรักษาในวันพระหรือเวลาที่เรามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมเช่นญาติโยมที่มานุ่งขาวห่มขาวมาพักอยู่ที่วัดก็มารักษาสีห์แปดกันถ้ารักษาสีล์แปดได้ก็ยิ่งมีความสุขมากกว่าการรักษาสีนห้า พอใจจะเย็ยนขึ้นใจจะสบายขึ้นถ้ารักษาสิบแปไม่ได้ทั้งหมด <c oughs> ก็ค่อยรักษาทีละข้อขึ้นไปเช่นสีนข้อที่สาก็ให้เปลี่ยนเป็นอพรอมมจาริยาคือแทนที่จะไม่ประพฤติผิดประเวณีก็จะไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลยอันนี้ก็เป็นสีนข้อที่สาม แล้วสินข้อที่6ก็คือให้ละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะไม่จำเป็นอาหารที่เรารับประทานนี้เราให้ร่างกายมากเกินความจำเป็นอยู่แล้วร่างกายของพวกเราส่วนใหญ่จึงมักจะมีน้ำหนักเกินกันการที่ไม่รับประทานอาหารเย็ยนนี้จะช่วยให้เรารักษาผุนรักษาสุขภาพของร่างกาย ให้ร่างกายมีหุ่นสวยหุ่น ง, งามแล้วก็มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารมากเกินไปเราก็จะมีโรคภัยเบียดเบียนจะมีโรคเบาหวานมีโรคความดันมีโรคไขมัน อ, อุดตันมาเบียดเบียนแต่ถ้าเรารับประทานพอแต่ความต้องการของร่างกาย เราก็จะไม่มีโรคภัยจับตาใจของเราก็ไม่ต้องวุ่นวายกับการรับประทานอาหารเพราะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะเราจะรับประทานเพียงก่อนเที่ยงวันเท่านั้นเช่นวันหนึ่งรับประทานสองมื้อก็พอเช้าตื่นขึ้นมาก็รับประทานอาหารเช้าพอเที่ยงก็รับประทานอาหารกลางวันรับประทานให้เต็มที่เลย รับประทานเผื่ออาหารเย็นไปเลยรับประทานหนเดียวเพื่อจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาอาหารกับการมารับประทานในตอนเย็นอีกทีแล้วเราจะได้มีเวลามาสร้างความสุขลำดับต่อไปมาสร้างบุญลำดับต่อไปก็คือการภาวนาภาวนานี่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่า บุญที่ได้รับจากการรักษาศีลบุญที่ได้รับจากการทำทานการทำทานนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเป็นของก็เหมือนกับหนึ่งหนึ่งเท่าถ้าทำรักษาศีลก็ห้าเท่าถ้าภาวนาก็จะได้บุญร้อยเท่าการภาวนานี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ก่อนที่เราจะภาวนาได้ เราต้องรักษาศินแปดให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะรักษาศินแปเราก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนก่อนที่จะรักษาศินห้าได้เราก็ต้องทำทานให้ได้ก่อน <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่ทำทานใจของเราจะไม่คิดถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น <Yeah. S 1> เราจะคิดแต่ความสุขของเรา <Yeah. S 1> เราก็จะไม่สามารถ รักษาศี 5, ลห้ารักษาศีลแปได้ถ้าเรารักษาศีลไม่ได้เราก็จะภาวนาไม่ได้เพราะใจของเราจะว้าวุ่นขุ่นมัวกับเรื่องของความโลภความอยากได้สิ่งต่ตางๆและความวิโตรกำวนกับบาปกรรมที่เราได้ทำเอาไว้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะภาวนาทําใจให้สงบ ไม่มีโอกาสที่จะได้รับประทานอาหารที่ยิ่งใหญ่ของใจได้ดังนั้นเราต้องทําทางให้ได้ก่อนอย่างที่พูดทําทุกวันทํามากทําน้อยไม่สําคัญขอให้ทําตามกําลังของเราทําทุกวันเหมือนกับรับประทานอาหารเรารับประทานอาหารกันทุกวันอาหารจะถูกอาหารจะแพงไม่สําคัญขอให้เป็นอาหารที่ ทำให้ร่างกายอยู่ได้ไม่หิวไม่เจ็บไข้ได้ป่วยฉันใดการทําทานก็ไม่จําเป็นจะต้องทําแบบมโหลาเ ป, เป็นเป็นเงินเป็นแสงเป็นล้านทําไปตามกําลังของเรามีมากก็ทํามากมีน้อยก็ทําน้อยทําไปเพื่อให้ใจของเรามีความอิ่มมีความสุขมีความสบายเพื่อให้เรามีความเมตตา มีความปรารถนาดีต่อผูอ้เพื่อเราจะได้มารักษาสี่ห้ารักษาสิ่งแปดได้พอเรารักษาสิ่งแปดได้แล้วใจของเราก็จะมีความเย็นมีความสบายก็จะทำให้เราอยากทำใจให้เย็นสบายมากขึ้นกว่านี้เราก็จะภาวนาทำใจให้สงบ การจะทำใจให้สงบเราก็ต้องหาสถานที่ที่สงบเพราะถ้าสถานที่ไม่สงบ ก, ก็จะมารบกวนการทำใจให้สงบถ้าเราจะภาวนาเราต้องหาที่สงบถ้าอยู่ที่บ้านก็หาห้องที่ไม่มีใครมารบกวนถ้าไปวัดได้ก็ไปหาวัดที่วัดที่สงบเงียบ เช่นตวัดป่าวัดเขาต่างๆสถานที่เหล่านั้นจะเอื้ออานวยาต่อการทำใจให้มีความสงบถ้าใจสงบแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่ใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ความสุขที่ได้จากได้เงินจากการถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็จะสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ เพราะเวลาถูกลอตเตอรี่รางัลที่หนึ่งแทนที่จะมีความสงบมีความสุขกลับมีความวุ่นวายใจเพราะไหนจะต้องกังวลว่าจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนดีไหนจะต้องคอยหลบคนที่จะมาคอยของเงินที่เราได้มาแทนที่จะมีความสุขกลับมีความทุกข์เขาเรียกว่าทุกขะลาบได้้าบที่เป็นทุกข์ ถูกวัตเตอรลี่รางวัลที่หนึ่งแล้วจะเดือดร้อนจะอยู่อย่างปกติไม่ได้จะต้องมีคนมาคอยขอมาคอยจ้องมาคอยลักขโมยทำให้เราต้องหวาดระแวงหวาดกลัวไปต่างๆนาน า, าความสุขที่ได้จากได้เงินทองจึงไม่ใช่เป็นความสุขแท้ความสุขแท้ต้องเป็นความสุขที่ได้จากความสงบ เพราะเวลาใจสงบแล้วใจจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีใครสามารถมาขอมาแย่งเอาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ได้ใครอยากจะได้เราก็จะบอกเขาว่าต้องไปทำเอาเองอยากจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ก็ต้อ<ๆ>งไปทาทานไปรักษาศีลไปภาวนาไปนั่งสมาธิ ไปอยู่ที่เยี่ยมเยียบอยู่ตามลำพังกฎเดียวนี่คือวิธีที่จะทำให้ได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในใจเราได้เช่นเวลาเราทุกข์ใจไม่สบายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้พอเราไปนั่งสมาธิปับ๊บใจสงบปั๊บ ความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปถ้าไม่มีภาวนานั่งสมาธิไม่เป็นเราก็จะต้องทุกไปทั้งวันทั้งคืนไปจนกว่าความทุกข์มันจะหมดแรงไปนี่คืออนิสงค์รือกอ่นประโยชน์ของการสร้างบุญที่พวกเราทั้งหลายได้มาสร้างกันในเวลานี้เื้่มต้นเราต้อง มีความเห็นที่ถูกต้องก่อนต้องรู้ว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไรต้องรู้ว่าวิธีทำบุญทาอย่างไรและบุญไหนเป็นบุญหลักบุญสาคัญและบุญไหนเป็นบุญเสริมบุญไม่สาคัญอันนี้ได้พูดถึงบุญหลัก5ประการคือมีความเห็นที่ถูกต้องอยาเห็นถูกต้องก็ต้องฟังเทศฟังธรรม อย่างที่ญาติโยมกำลังฟังตอนนี้กำลังรับความเห็นที่ถูกต้องไปพอรู้แล้วว่าบุญหลักที่เราต้องทำกันประจําก็คือทานศีลภาวนาเราก็ดำเนินต่อไปส่วนบุญที่เป็นบุญเสริมนี้เราก็ทำไปตามเวลาตามโอกาสเช่นบุญเสริมข้อที่หนึ่งก็คือการ อุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลเวลาเราทำบุญแล้วเราก็สามารถแบ่งปันบุญที่เราทำนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วด้เพราะผู้ที่ร่วมรับไปนี้บางทีไม่มีบุญติดตัวไปเพราะเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับการเริ่มทำทา ง, ทางเริ่มทำบุญพอตายไปก็จะไปแบบขอทาน จะต้องไปขอบุญจากผู้อื่นเราก็สามารถส่งบุญนี้ให้กับท่านเหล่านั้นได้เช่นบิดามารดาปูญย่าตายายผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายถ้าเราล่ำลึกถึงบุญคุณของท่านและอยากจะแบ่งปันบุญที่เราได้ทำกันในวันนี้เราก็สามารถแบ่งไปได้การอุทิศนี้เราไม่ต้องรอให้พระสวดญาตาิสาปพี การอุทิศนี้เป็นเรื่องของเราโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระเลยพระจะส่วนญาตาสัปพีหรือไม่เราก็สามารถอุทิศยุญได้การอุทิศบุญก็คือให้เราเลืกภายในใจของเราว่าขอละขออุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำในวันนี้ให้แก่ท่านนั้นท่านนี้ชื่อนั้นชื่อนี้บุญก็ไปถึงแล้วไม่ต้องมีพระมายาถาสัปพี การญาถษาสัพพีของพระนี้เป็นการสอนให้ญาตโยมให้รู้จักการอุทิศบุญรู้จักวิธีขวดน้ำเท่านาั้นเองแต่ไม่ได้มีความหมายความจำเป็นว่าจะต้องมีพระถึงจะอุทิศบุญได้เช่นตอนเช้าเราตักบาทเสร็จเราก็กวดน้ำได้เลยไม่ต้องมีพระมาว่าญาถษาสัพี เราทาบุญที่ไหนเวลาใดเราก็สามารถอุทิศบุญได้ไงนี่คือบุญเสริมแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราก็ไม่สามารถอุทิศบุญได้เพราะเราไม่มีบุญจะอุทิศนั่นเองบุญเสริมข้อที่สองที่เราควรจะทำกันก็คือการอนุโมทนาบุญเช่นเวลาผู้อื่นเขาทำบุญเราควรจะแสดงความยินดีร่วมร่วมบุญกับเขา อย่าไปขัดขวางเขาอย่าไปบอกเขาว่าอย่าทำเลยทำไปแล้วไม่ได้บุญไม่ได้ประโยชน์สู้เอาเงินไปซื้อเหล้ามากินดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าได้ความสุขมากกว่าอย่าพูดอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่เรารู้นี้ไม่เหมือนกับสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้สิ่งที่พระเจ้าสอนให้ทำนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ดังนั้นถ้าเห็นคนอื่นเขาทาบุญ เราควรจะร่วมร่วมบุญกับเขาถ้าเราร่วมได้ถ้าร่วมไม่ได้ก็สแสดงความยินดีไปแล้วเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราเห็นคนอื่นก็ทำบุญแล้วเราไม่อยากให้เขาทำเราก็จะมีความหมกหิดใจมีความทุกข์ใจได้นี่คือเรื่องของการอนุโมทนาบุญบุญเสริมข้อที่สมที่เราควรจะมีก็คือการรับใช้ผู้อื่น การช่วยเหลือผู้อเวลาที่เราเห็นผู้เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากหรือผู้อื่นกำลังทําภารกิจอะไรอยู่ถ้าเรามีเวลาว่างพอที่จะช่วยเหลือกันได้เราก็ควรที่จะทํากันทำแล้วเราจะมีความสนใจเราจะมีเพื่อนจะมีคนที่รักเราชอบเราแต่ถ้าเราเห็นคนอื่นเขาทำอะไร แต่เราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นไม่สนใจอย่างนี้ก็จะทำให้เราเป็นคนเดียวได้จะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นบ้างเลยแล้วเราจะไม่มีความสุขใจแต่ถ้าเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเราจะมีความสุขใจมีความสบายใจ บุญเสริมข้อที่สี่ที่เราควรจะมีก็คือการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนขอให้เราทําตัวเราให้เป็นเหมือนกับผ้าที่ลิ้วเป็นเหมือนปัตภีอย่าไปถือตัวถือ ต, ตนว่าเราสูงว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าถือว่าเราเก่งเราดีเราเดน่น เราเก่งเราดีเราเด่นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงแต่เราอย่าไปถือตัวขอให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนไว้เพราะการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้จะทำให้เราอยู่กับผู้อื่นได้อย่างสุขอย่างสบายถ้าเราไปอวดเก่งอวดดีดีเราจะอยู่กับผู้อื่นไม่ได้ผู้อื่นเขาจะไม่ชอบเราคนอื่นจะไม่ชอบเราเราจะอยู่แบบไม่มีเพื่อน เราจะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ไปอยู่กับใครที่ไหนก็จะมีแต่คนรักคนชอบเราเราจะมีความสุขและบุญเสริมข้อสุดท้ายก็คือการเอาธรรมะให้แก่ผู้อื่นการแจกจ่ายธรรมะให้แก่ผู้ถ้าเรามีธรรมะและเราพอที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ เ, เวลามีใครเดือดร้อนมีความทุกข์ใจไม่สบายใจถ้าเราสอนให้เขาทำใจได้ทำให้เขาปล่อยวางได้เขาก็จะมีความสุขได้เขาก็จะหายจากความทุกข์ได้เราเอาคำสอนของพ่ะพระเจ้ามาแบ่งให้แก่ผู้สอนให้ผู้ปล่อยวางเวลามีความทุกข์ก็ให้โปรงว่าเป็นกรรมของเราเป็นเรื่องปกติ เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆได้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราก็ทําใจอย่ากปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นถ้าเราตองได้ตัดทําใจได้เราก็จะหายทุกข์ใจได้นี่คือธรรมะที่เราถ้าเรารู้เราก็เอาไปสอนผู้อื่นได้ถ้าเราไม่มี แต่เรามีหนังสือธรรมะหรือเรารู้ว่ามีหนังสือธรรมะดีเราก็หาซื้อมาจากหรือช่วยช่วยบริจาคเงินคืน ห, หนังสือธรรมะแจกก็ได้อย่างนี้เราก็จะได้บุญเช่นเดียวกันบุญที่เกิดจากการให้ทําแก่ผู้อื่นนี่คือบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามทำกันอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าทำแล้วใจของเราจะมีความล่มเย็นเป็นสุขจะมีความอิ่มมีความพอจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายจะไม่โลภไม่โกรธจะมีแต่ความสุขความสบายใจจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติ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 ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันน้ำสุขัตพละโดยทั่วหน้ากันเถิด <c oughs>